เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในป่าที่หลายท่านที่นิยมฟังเรื่องผีอาจจะเคยผ่านหูมาบ้างครั้งนี้ผมจะลองนำมาปรับสำนวนและเล่าใหม่ในแบบของหลอนก่อนนอนอย่างไรก็ดีโปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเอกอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายครอบครัวของคุณเอกก็ยากจนมากเมื่อจบชั้นประถมปีที่6คุณพ่อจึงพาคุณเอกไปฝากไว้ที่วัดบวชเรียนเป็นเนนเพื่อรับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง หลวงลุงท่านก็จะสอนสัพพวิชาต่างๆให้กับเนนเอกทั้งภาษาขอมก็สอนด้วยและจะมีการออกธุดงกรรมาฐานประจําปีเพื่อปีกวิเวกจากท้งโลกตอนนั้นคุณเอกพึ่งจะอายุแค่16ปีและพึ่งบวชเรียนใหม่ๆก็ได้ออกธุดงเป็นครั้งแรกไปกับหลวงลุ ง, ลงและพระอีกสามรูป หลวงลุงท่านจะเดินขึ้นไปทางเหนือพระอีกสามรูปรวมทั้งเนนเอกก็เดินตามหลวงลุงไปเป็นแถวตอนลึกซึ่งจะไม่มีการพูดคุยสนทนากันโดยไม่จําเป็นตามหลักของสงที่พึงจะปลีกวิเวกผ่านป่าทึบป่าปรงม า, มามากมายจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเลยแถบอีสานเหนือขึ้นไปอีกหน่อยลักษณะในแถบนี้จะเป็นป่าดิบต้นไม้ในป่าส่วนมากจะมีลำต้นสูงใหญ่ชนิดที่หลายคนโอก ป่ายังสมบูรณ์มากเพราะห่างไกลความสิวิไลแต่ละต้นก็เบียดเสียดกันขึ้นฟ้าบดบังแสงพระอาทิตย์จนดูมืดคลึ้มที่คนต้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นบรรยากาศระแวกนั้นก็เปลี่ยนไปแสงอาทิตย์ดูจะอ่อนแรงไวกว่าในเมืองอากาศก็เย็นขึ้นจนผิดตาหลวงลุงท่านบอกให้ทั้งคณะหยุดลงที่นี่และปักกรดกันในบริเวณนี้เนนเอกก็ออกไปหาฟืนมาก่อกองไฟชงน้ำชาถวายพระทั้งสามรูป แล้วก็ไปส่งน้ำเพื่อทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเย็นเสร็จก็มีคนหาของป่าซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้จูจูก็เดินตัดผ่านป่าเข้ามาแล้วก็ก้มลงกราบหลงลุงสามครั้งแล้วก็พูดขึ้นว่านิมน์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเถอะครับอีก12กิโลอย่าอยู่ตรงนี้เลยเพราะช่วงนี้หลังจาก6โมงแล้วยุงก็ยังไม่กล้าบินผ่านเลยนะครับท่าน หลวงลุงท่านฟังด้วยอารมณ์นิ่งเฉยแต่กระถ่อมตนตามแบบของสงก่อนที่ท่านจะกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรเรามาพร้อมพุทธคุณและพระรันาตน์ไตเรามาเพื่อปีกวิเวกเป็นตายยังไงก็ขออยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนนั้นก็ไม่ว่าอะไรต่อเพียงก้มลงกราบแล้วก็เดินหายไปในป่าอีกครั้ง ผ่านไปอีกไม่นานเมื่อหมดแสงจากพระอาทิตย์ความมืดก็เริ่มกลืนป่าแห่งนี้โดยสมบูรณ์ทำให้บริเวณรอบๆก็ดูเหมือนจะพลามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นม่านหมอกบางๆลอยต่ำอ้อยอิงอยู่ทั่วบริเวณอากาศเย็นจนร่างกายสั่นสะท้านป่าทั้งป่าในขณนะนี้เงียบสงัดจนหน้าวังเวงเนนเอกเริ่มสมกองไฟให้สว่างและอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเมื่อกองไฟได้ฟืน แสงไฟก็ช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวได้ไม่น้อยแต่ก็เพียงระยะที่มองเห็นใกล้ๆเท่านั้นประการหน่งดูเหมือนแสงไฟจะขับไล่ความหนาวเหน็บลดความวังเวงลงได้บ้างเสียงฟืนที่ระอุเพราะความร้อนจนแตกดังเป็นระยะเป็นเสียงชนิดเดียวที่ต่อสู้กับความเงียบในป่าณเวลานี้อีกประการเผือกันอันตรายจากสัตว์ป่าเจ้าถิ่นที่พรดหลงเข้ามา เมื่อเห็นไฟก็คงถอยหนีตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าจนเมื่อถึงเวลาหลวงปู่ท่านก็ให้พระทั้งสามและเนน เ, เอกเข้านั่งกรรมาฐาน เนนเอกปากกดนั่งกรรมฐานอยู่เบื้องหลังของหลวงปู่แต่ก็เยื้องห่างกันอยู่ไม่น้อยจนเวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงเป็นความดึกสงัดอย่างยิ่งในป่าขณะ น, นี้อาการเน็บชาเริ่มกัดกินแขนขาของเนนเอกจนต้องขยับตัวบ้างเล็กน้อยเพื่อขับไล่ความเน็บชาให้เหลือดเดินตามวิสัยสักพักใหญ่ให่ในขณะที่เนนเอกกาลังนั่งหลับตาอยู่ก็รู้สึกว่ามีลมกันโชคแรงไปทั้งป่า เหมือนมีพายุเข้าทำให้กรดโยกไปมาเหมือนจะขาดลงทุกทีเสียงต้นไม้ด้านหลังที่อยู่ห่างไปไม่กี่เมตรลั่นเอียดอารราวกับมีคนมาขยม่ม ฝุ่นดินและใบไม้ต่างๆก็ปลิวว่อนอยู่รอบๆกรดเหมือนพยายามจะมุดเข้ามาในกรดให้ได้เนนเอกมองไปรอบตัวด้วยความตื่นตนกแต่เมื่อมองสำรวจไปโดยรอบก็รู้สึกใจเต้นระคนแปลกใจเพราะต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลออกไปรอบๆเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นกลับนิ่งเฉยไม่ไหวติง่งไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ที่ปลิวกระจัดกระจายตามลมเหมือนว่าพายุนี้ได้โหมกระหน่ำอยู่แค่บริเวณรอบๆที่ปักกรดกันอยู่ หลวงปู่ท่านก็เอ่ยขึ้นว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญเขากำลังจะมาตั้งสติไว้ถึงแม้หลวงปู่ท่านจะบอกให้ตั้งสติแต่เหตุการณ์ผิดวิสัยและรอบตัวในขณะ น, นี้มันทำให้เนนเอกผู้ไม่เคยออกทุดงก็ใจเต้นจนอกแทบระเบิดออกมาอากาศเย็ยนยเยือกแต่เหงื่อของเนนเอกก็ไหล ย, ย้อยลงมาถึงที่ปลายคางหยดใส่อุ้งมือของเนนเอกที่กาลังนั่งผสานกันอยู่ที่หน้าตัก เนนเอกพยายามรวบรวมสติตามคำสอนของหลวงปู่ที่เคยอบรมไว้ตากระจองมองกองไฟที่ถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสียงแดงพุ่งกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในบางขณะแล้วจูๆ่ๆเนนเอกก็ได้ยินเสียงคล้ายลูกแตงโมตกลงกระแทกกับพื้นเสียงมันดังเพละเนนเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการผวาเป็นทุนเดิมก็สะดุ้งจนตัวสั่นรีบหันไปจ้องมองที่ต้นเสียง สิ่ที่อยู่เบื้องหน้าในขณะนี้เป็นชายที่มีแค่ครึ่งลำตัวนังเสยยยิ้มอยู่หน้ากองไฟเนนเอกตกใจตะลึงกับภาพที่เห็นเกร็งลำตัวโดยอัตโนมัติอาการมวลท้องเกิดขึ้นในฉับพลันเพราะความตึงเครียดความกลัวแตกฟุ้งไปทั่วร่างกายจากนั้นชายคนนั้นก็ค่อยๆหักนิ้วของตัวเองโยนเข้าไปในกองไฟหัวเราะเสียงต่าเหมือนคนที่กาลังมีความสุข พอหักนิ้วมือข้างหนึ่งจนหมดแล้วก็ใช้ปากกัดนิ้วมืออีกข้างหนึ่งแล้วถมลงไปในกองไฟเนนเอกเผชิญเขากับผีป่าที่เขากล่าวกันนักหนาว่าเฮี้ยนและมีอิจฉลิตกว่าผีตามบ้านตามในเมืองนักอาการตอนนี้ก็กลัวมากจนรู้สึกจุกเสียดหายใจก็ติดขัดเมื่อมีสติคิดได้เพียงน้อยนิดก็รีบหันไปมองหลวงลงุงและพระอีกสามรูปที่นั่งปรากฏอยู่ข้างๆห่างออกไปไม่ไกล ทุกรูปกลับนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่อย่างใดถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นกำลังคลานไปรอบๆกองไฟที่ลุกโชนอยู่กลางลานและสิ่งนั้นก็พูดด้วยเสียงทุ้มต่งๆออกมาว่าพวกเองจะมาเอาที่ของข้าเหรอชายคนนั้นคลานวนไปรอบๆกองไฟอยู่สามสีรอบท่าทีดุดันราวกับสัตว์ป่าแล้วก็ค่อยๆเดินหายไปในความมืดตามเดิม ลมพายุโดยรอบจู่ๆก็เริ่มสงบลงคล้ายจะกลับเป็นปกติเนนเอกหันมองรอบตัวด้วยความระแวงเมื่อพบว่าสิ่งนั้นได้จากไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนถอนภูเขาหลายลูกออกจากอกป่ารอบตัวในขณะ น, นี้ก็กลับคืนสู่ภาวะปกตินั้นคือเงียบเชียบไร้เสียงใดๆนอกจากเสียงฟืนไฟจากกองเพลิงเท่านั้นแต่ก็ต้องสะดุ้งเฮือกจนเหยียดหลังตรงขึ้นอีกครั้ง เพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมดังมาจากข้างหลังจุดที่เนนเอกนั่งอยู่ เนนเอกรีผันกราบกลับไปมองปรากฏว่าเป็นกิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นสเสดาที่อยู่ด้านหลังหักตกลงมาที่พื้นเฉียดกรดของหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวเนนเอกทอนนั่งอยู่คนเดียวไม่ไหวหล่นลานรีบมุดเข้ากรดของหลวงปู่เขากอดท่านด้วยอาการตัวสัน่นหูก็แววได้ยินเหมือนเสียงคนขย่มกิ่งไม้อยู่เบื้องบนตามมาด้วยเสียงหวีดร้องของหญิงสาวทิกรฤดลั่นดังแทรกขึ้นมาทั่วป่า เสียงแหลมแสบเก้าหูนี้มันเสียดแทงเข้าไปในใจของเนนเอกจนต้องรีบเอามือปิดหูอึดใจต่อมาสิ่งนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจากลาวป่าคราวนี้มาครบทั้งตัวนั่งหลงที่หน้ากองไฟแล้วยกมือตัวเองขึ้นมาเคี้ยวเล่นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงสาบสางลอยอบอวนตลบไปทั่วบริเวณเนนเอกกอดหลงลุงแน่น รู้สึกผืออืดผ้าอมท้องไส้ก็ปั่นป่วนจนคล้ายจะหน้ามืดหลงลุมท่านลืมตาขึ้นมองอย่างสงบและเทศนาสิ่งนั้นเรื่องการยึดติดเ น, นเอกรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าอย่างยิ่งจากนั้นร่างนั้นก็ค่อยๆจางลงแล้วกลืนหายไปในอากาศที่มืดสลัวทุกอย่างคืนสู่ปกติอย่างแท้จริงก็เมื่อเวลาใกล้สางพระทั้งสามรูปก็สวดบทแผ่เมตตาขึ้นพร้อมกัน เนนเอ๋รู้สึกตัวชาๆเหมือนคนจะเป็นไข้ได้แต่สอดสองสายตาไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะยังไม่วางใจในสถานการณ์เหลือไปมองท่อนไม้ใหญ่ที่ตกลงมาอยู่ข้างๆกรดของหลวงปู่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะรอยหักของมันควรจะเป็นการปรี้แตกจากกิ่งไม้แต่สิ่งที่เห็นนี้เหมือนกับว่ามีคนเอาเลื่อยมาหั่นมาเลื่อยมันออกเพราะผิวหน้าไม้นั้นเรียบจนน่ากลัว ตนสะเดาใหญ่ต้นนี้ดูหน้าพิศวงตรงสำรวจดูอยู่หลายรอบกลัวว่าคนเลื่อยจะยังไม่ไปไหนเนนเอกคิดฟุ้งไปว่าสิ่งนั้นอาจจะกำลังอยู่บนต้นสะเดานี้แล้วรอเวลาที่ทุกคนเผลอจนแสงแรกของยามเช้ามาถึงอย่างเต็มที่หลังจากที่สงน้ําเสร็จมีชาวบ้านเดินมากลุ่มหนึ่งในมือกระถือกระสอบและพลัว่วมาคนละอันสองอันพอมาถึงก็ก้มลงกราบแล้วบอกกับหลวงปู่ว่า มีพระธุดงมานั่งตรงนี้หลายรูปแล้วแต่เช้ามาพวกผมก็ต้องมาช่วยกันฝังศพทุกครั้งเลยแล้วทุกคนก็ก้มลงกราบหลวงปู่อีกครั้งก่อนจะพูดต่อว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสาปแช่งหลวงพ่อนะครับแต่ว่าเวลาพระธุดงเดินทางมาที่นี่ไม่เคยเห็นใครรอดเลยแล้วชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันเดินเข้าไปอีกประมาณ10เมตร เป็นพื้นที่โล่งๆที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ที่มีเถาวันเลื้อยละระยองระยางอยู่กลางลานลักษณะเป็นดินสีดำยุยยๆก่อนที่คนหนึ่งจะกล่าวว่านี่คือสุสานของพระทุดงที่ชาวบ้านช่วยกันฝังมีทั้งพระชลาและเนนเดี๋ยวนี้พวกผมเมื่อเห็นพระก็เลยมักจะชวนเข้าไปในหมู่บ้านเสียมากกว่าแต่ก็มีอยู่บ้างที่มีพระตั้งจิตแน่วแน่ตั้งการจะปักกรดอยู่ที่นี่ แต่ทุกครั้งชาวบ้านอย่างพวกผมก็ต้องมาช่วยกันฝังทุกทีเพราะไม่มีใครรอดเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาในทุกๆปีก็จะมีมาให้ฝังอยู่ตลอดชาวบ้านเล่าต่อว่าที่บริเวณแห่งนี้เป็นสุสานเก่าของชาวเขาเผ่าหนึ่งมีวิญญาณของคนที่ตายสิงสถิตยอยู่มากมายเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์คอยจาัด ก, การใครที่ล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณแล้วชาวบ้านก็ชี้เข้าไปในกองฟืนในกองไฟที่มอดไปนั่นแหละ ปรากฏว่าพบเศษกระดูกนิ้วมือเป็นข้อเล็กๆสีดำๆจมอยู่ในกองเท่าอยู่หลายอันภาพเหตุการณ์เมื่อคืนแวบเข้ามาในหัวของเนนเอกจนรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หัวลงไปจะหลดเท้าชาวบ้านบอกว่าก็มักจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งตอนที่ช่วยกันแบกร่างของพระก็มักจะพบเศษกระดูกเล็กๆไหลออกมาจากปาก ป่าบริเวณนี้จะไม่มีใครกล้าใช้สัญจรชาวบ้านที่เป็นคนหาของป่าถ้าเกิดล่วงเลยเวลาบ่ายสามไปแล้วจะต้องรีบดิ่งออกจากป่าในแถบนี้ทันทีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยพบศพของคนหาของป่าจากหมู่บ้านอื่นถูกไม้ไผ่แทงตายอยู่บนยอดไผ่ลักษณะเหมือนกำลังนอนอยู่ที่พื้นแต่ก็ถูกต้นไผ่ทั้งกอผุดขึ้นจากตรงที่นอนอยู่แทงทะลุร่างขึ้นไปจนขึ้นไปห้อยอยู่บนยอดกอไผ่ แม้มันจะดูเหลือเชื่อแต่เรื่องในป่าลึกทั่วโลกก็มักจะมีแต่เรื่องเหลือเชื่อที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ทั้งนั้น